ดีดีธรรมบัญญายชุดบูชาพระพรมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมกุณาพรออประยุตโตวัดยานเวสส ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สองเรื่องพรหมพราหมณ์พรหมพุทธบัญญายเมื่อวันที่ 23. มีนาคมพุทธศักราช2549อันนี้ก็มาคุยกันไปแบบเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วที่นี่จะคุยที่ไม่เป็นเรื่องลึกๆอะไรนะักคุยแบบเบาๆเป็นเกร็ดความรู้หรือเป็นข้อที่แถมอันนี้ก็อาจจะสืบเนื่องจากวันก่อนที่พูดว่า เวลาเรามองอะไรเรื่องของการเป็นอยู่ดำเนินชีวิตการปฏิบัติตัวของเราก็อยู่ในระบบการฝึกเพราะนั้นเราก็มองว่าเออชีวิตคนนี่มันจะเจริญดีงอกงามมนุษย์นี่มีธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องฝึกหัดจึงจะพัฒนาเจริญงอกงามเอาดีได้และทีนี้ถ้าเรารู้จักใช้แบบฝึกหัดหรือว่าเรารู้จักทาสิ่งต่างๆให้เป็นแบบฝึกหัด มันก็กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตเราดีหมดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมองสิ่งต่างๆเป็นแบบฝึกหัดดั <c oughs> น, นั้นถ้าเจอปัญหาเจอความทุกข์มองมันเป็นแบบฝึกหัดซะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ไม่ค่อยทุกข์ถ้าท่านไปเจอติดคำว่าทุกข์ใช่เจอความไม่ไมสบายพอบางคนพอไปเจอไม่สบายก็แย่แล้วทุกข์แล้วก็อัดอั้นตันใจอยู่นั่นแหละไปเจอทุกข์ก็ ติดขัดอึดอัดแล้วก็ใจคอไม่สบายก็เลยอยู่นั่นแหละเองอ่ะนะีแล้วก็เจอปัญหาก็รู้สึกทุกข์อีกแหละพอเจอปัญหาก็ติดอยู่นั่นอีกไม่ไปไหนเจองานยากติดอีกแล้วยากก็ท้อใจพอเจองานยากก็ท้อก็ทุกข์อีกแหละใจคอไม่ดีสุขภาพจิตก็เสียนี่ถ้ามองแบบนักฝึก น้องนักปฏิบัติเราบ่อยโภเหตุปัจจัยใจสิกขาเนี่ยก็ชีวิตคนมาเอาดีได้ในการฝึกใช่ไหมเราก็มองว่าอะไรแต่อะไรมันก็เป็นเครื่องฝึกเราเท่า น, นั้นอะไรยากก็ได้ฝึกมากถ้า ง, งานง่ายก็ได้ฝึกตัว น, น้อยถูกไหมแล้วทำนิดเดียวไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ฝึกด้วยดานได้ใช้กําลังใจอดทนเลยมันผ่านไปซะแล้ว เราไม่ได้อะไรเลยงานง่ายนี่เราไม่ได้อะไรเลยตกลองว่าพอเราคิดเป็นอย่างงี้โอ้งานง่ายนี่ไม่อยากได้ไม่ได้ความไม่ได้เลยเลยอยากเจองานยากทัดงานยากยิ่งได้มากเออยิ่งยากยิ่งได้มากคติคนนักฝึกตนมันเป็นอย่างนั้นยิ่งยากยิ่งได้มากเอามันจริงอย่างนั้นนะยิ่งยากยิ่งได้มากก็เจอนี่แหมกว่าจะผ่านได้นะ คิดเยอะเลยไมยกว่าจะตีปัญหาแต่คิดหาทางออกได้ปัญญาก็พัฒนาเยอะจิตใจก็ได้ฝึกนะความเข้มแข็งความอดทนฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความเพียรฝึกทุกอย่างฝึกวินัยด้วยนะฮะแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมเราเจอปัญหานี้บางทีต้องไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีเราก็ไม่สาเร็จอีกเราก็ต้องฝึกตัวเองต้องอดทน ในการหาทางไปสัมพันธ์กับเขาไปพูดจากับเขาต้องฝึกตัวในการพูดจะพูดยังไงจึงจะสําเร็จเขาจึงจะร่วมมือด้วยอะไรเนี้ยฮะโอ้สารพัดต้องฝึกหมดการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์การพูดจากิริยาท่าทางและการฝึกฝีมือทักษะอะไรต่างๆฝึกหมดเลยเพราะนั้นงานยากก็ได้ฝึกตัวเองมากเพราะนั้นผ่านงานยากไปนี่ต้องมีความภูมิใจมากมันได้มากจริงๆ พอเราตั้งจิตถูกว่าเราเจองานยากเราจะได้มากเนี่ยแทนที่เราจะทุกข์เราก็เกิดความสุขได้เราก็ไม่เสียสุขภาพจิตใจเราก็ไม่ฝืนถ้าเราฝืนใจเราเสียสุขภาพจิตเรามีความทุกข์ใจก็ห่อเหี่ยวด้วยทำงานก็ไม่ได้ผลด้วยแต่พอเรารู้สึกว่าเออมดีเราได้เราจะได้มากเราก็เต็มใจทาเต็มใจทาเราก็มีกาลังใจใจเราก็มีความสุข แล้วเราเต็มใจทําเราก็ทําได้ผลดีอีกมันก็ดีไปหมดเลยนั่นก็ใช้วิธีเนี้ยก็คือโยนิโสมนสิการที่เอามาใช้กับการปฏิบัติตัวก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ในระบบของการฝึกชีวิตเรื่องของการปฏิบัติที่ว่าเป็นระบบเหตุปัจจัยก็มนุษย์ก็ใช้การปฏิบัติต่างเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแม้แต่เรื่องธรรมดาสามัญเนี้ย ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเข้าใจคือพุทธศาสนานี่นะเป็นศาสนาที่ไม่บังคับเรารู้กันอยู่แล้วใช่ั้ยไม่บังคับศรัทธาแล้วก็ถือปัญญาเป็นสําคัญเมื่อถือปัญญาคนก็ต้องรู้เข้าใจกัญญาที่รู้เข้าใจเนี่ยมันยัดเยียดใส่สมองกันไม่ได้ไอ้บังคับให้เชื่อก็พอบังคับได้เขาจะเชื่อไม่เชื่อกับบังคับไปแต่ให้บังคับให้รู้นี่มันบังคับไม่ได้ใช่ เนี่ยา พ, พุทธศาสนาเนี่ยมันก็เลยเป็นไปตามธรรมชาติว่าต้องการให้คนเกิดปัญญาคนจะพัฒนาจริงก็ต้องรู้เข้าใจมีปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยัดเยียดบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เลยบังคับว่าจะต้องให้เสรีภาพอนาพุทธศาสนาก็ไม่มีการบังคับใครจะสงสัยก็สงสัยไปแม้แต่พุทธเจ้ากลับตรัสให้ภาษาวกตรวจสอบพระองค์ซะด้วย หมายควาว่าเขาจะไปฟังธรรมที่โน่นที่นี่อะไรเนี่ยเขาควรจะปฏิวัติตัวยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยให้หลักว่าอา้าวมีวิธีตรวจสอบศาสดาพระองค์ก็ตัดเป็นขั้นเป็นตอนไปคือไม่มีเรื่องที่ว่าจะให้ต้องเชื่อทีนี้ในเรื่องที่ว่าในการที่จะเกิดปัญญามันยัดเยียดบังคับไม่ได้ก็ต้องมีการเรียนรู้เช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แล้ว ก็ไม่ใช่รู้แต่พระองค์อย่างเดียวพระองค์ก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยอันนี้เรียกว่ามีกรุณาเห็นเขายัางตกต่ํายังไม่รู้อยู่ก็มีกรุณาฉะนั้นว่าพระคุณของพุทธเจ้าข้อสําคัญต่อจากปัญญาก็คือกรุณาพระองค์มีปัญญารู้และตรัสรู้เป็นโพธิญาแต่เห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอื่นยังไม่รู้ก็คือเห็นเขายัางอยู่ในฐานะตกต่ําก็มีกรุณาจะเห็นว่าท่านมาใช้ว่าเมตตาถูกไห ม, ม พรมามหากรุณาติคุณเพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นเขายังไม่รู้ต้องการให้เขารู้เขายังทุกต้องการให้เขาพ้นทุกเนี่ยก็มีกรุณาเอาและเป็นอันว่ามีพระคุณสองอันนี้อยู่มีปัญญารู้แล้วมีกรุณาอันนี้ทํำยังไงจะปฏิบัติต่อคนอื่นกรุณานี่เป็นด้านจิตใจที่ทําให้คหํานึงถึงคนที่เราไปเกี่ยวข้องที่พระพุทธเจ้าจะไปทรงไปช่วยน่ยก็คํานึงถึงเขา แต่ปัญญานี่เป็นตัวรู้ไปถึงความจริงที่เรียกว่าธรรมะท่านลองแยกดูให้ดีนะปัญญาเป็นตัวโยมพระพุทธเจ้าไปถึงธรรมะ <c oughs> คือความจริงนะกรุณาเป็นตัวโยมพพุทธเจ้าไปหาคนนั้นที่พระองค์จะไปโปรดถูกไหมทีนี้พระพุทธเจ้ามีมหาการุณาต่อคนที่พระองค์ต้องการจะช่วยจะไปโปรดเนี่ยก็ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึง ทำที่ปัญญารู้นนท์แต่ปัญญาเนี่ยยัดเยียดให้ไม่ได้ทําไงตอนเนี้ยไอ้นี่แหละบทบาทที่ปัญญา ก, การครุณาจะมาปฏิบัติการและนะถ้าเอาแต่ใจตัวเองกรุณาก็ไม่ได้ก็จะด่าว่าแกทําไมไม่รู้ต้องรู้ที่แค่นี้ไม่รู้แต่ปฏิบัติไม่ถูกก็ว่าก็ได้แต่ด่าว่าไปนี่พระองค์มีกรุณาก็เห็นแก่เขา แต่ก็รู้ว่าเขายังไม่รู้จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้คือหมายความกุศลนาในเห็นแก่เขาคำหนึงถึงเขาเอาเขาเป็นหลักเอาคนที่ตัวจะไปช่วยเป็นหลักแต่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้เออเอาเขาเป็นหลักก็จริงแต่จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเดิมไม่ได้ปัญญาก็รู้ถึงจุดหมายคือสัจธรรมหรือธรรมะที่ต้องการให้เขาไปแต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้แล้วก็ปัญญานี่ก็ยัดให้ไม่ได้อีกทําไง นี่แหละเป็นวิธีที่ว่าต้องฝึกแต่ทีนี้ฝึกยังไงเนี่ยเวลาออกมาสู่ภาคปฏิบัติแล้วมันแสนยากนะไม่ใช่ง่ายง่นะมันมีปัจจัยฝ่ายตัวผู้สอนภะษาสดาหรือพระสงฆ์พระอาจารย์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปัจจัยฝ่ายผู้รับผู้ฟังผู้พูดผู้าศาสดามีความสามารถแค่ไหนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ฝ่ายผู้รับมีความสามารถแค่ไหนนี่สัมผัสกันแหละใช่ไหม อา้าวถ้าหากว่าพระศ า, าสดาผู้สอนนี่ก็รู้จริงแล้วมีความสามารถที่จะสื่อสารด้วยอันนี้ขอแทรกนิดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ามาต่อวันนี้แทรกนิดหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เรียกว่าพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้านะมีความสามารถสองขั้นนะหนึ่งคือปัญญาที่รู้สัจ ธ, ธรรมหรือรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะตรัสรู้ว่างันเถอะและสองความสามารถ หรือปัญญาที่สามารถนําเอาสิ่งที่รู้นั่นไปสื่อให้คนเข้าใจให้เขาเข้าใจได้เนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เขาได้หมายว่ามีปัญญาทําสิ่งที่ตนรู้เนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เขาได้องค์นี้สําคัญมากจึงเป็นสมณะสัมพุทธเจ้าได้ถ้าใครมีอันที่1นึ่นะมีความสามารถที่หนึ่งก็คือมีปัญญารู้เข้าถึงธรรมะรู้ถึงความจริง แต่ขาดปัญญาอย่างที่สองความสามารถที่จะทําให้สิ่งที่ตัวรู้เนี่ยไปเป็นประโยชน์แก่เขาอันนี้จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าพระสมมาธพุทธเจ้าต้องทำสอ ง, สองขั้นหนึ่งรู้เข้าใจเข้าถึงตัวธรรมนั้นสองมีปัญญาสามารถสื่อสารทำให้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์อื่นได้ หรือให้คนจํานวนมากเนี่ยได้รับประโยชน์จากอันนี้พระพุทธเจ้ามีสองขั้นนี้ทีนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีคุณสมบัติทั้งสองอันเต็ม ท, ที่ที่ต้องดูผลรับถ้าผลรับมีปัญญาพอไหวก็ไปอันว่าตัดสู่เลยได้เลยแต่ถ้าฝ่ายผู้รับนั้นแย่จริงๆมีฝ่ายผู้รับวันนั้นเราพูดกันแล้ ว, ลวนี่มีสี่บุคคล อุคติตันยูผู้รู้ทันทีเพียงแค่ยกหัวข้ อ, ข, อขึ้นมาปั๊บเข้าใจเลยวิปจิตันยูพวกนี้ขยายความหน่อยเข้าใจพวกที่สามเนยะหรือเวไนคือพวกนี้จะต้องชี้แจงแนะนําวันนี้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้หาเรื่องมาอธิบายแง่นนท์แงนน่แงนี้ค่อยๆแนะนํากันไปพวกนี้เวไนค่อยเข้าใจได้และพวกที่สี่พวกได้แค่ตัวบทได้แค่ตัวบทก็คือหมายความว่า จำบทได้บทนกไก่บนกคุณทองะอะไรแบานั้นนะท่านบอกว่าก็อย่าไปทิ้งเขาพวกที่สี่เนี่ยท่านไม่ทิ้งนะท่านบอกว่าให้เป็นอุปนิสัยไว้เอาละฝ่ายผู้รับเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ช่วยคนได้ไม่หมดเนี่ยปัจจัยฝ่ายผู้สอนกับปัจจัยฝ่ายผู้รับมันต้องดูทั้งสองฝ่ายทีนี้ตอนพระพุทธเจ้าอยู่นะี่ยปัจจัยฝ่ายผู้สอนนี่ ดีเราเราถือว่าดีพร้อมใช่ไหมแต่ปัจจัยฝ่ายผู้รับนี่ก็ดีบ้างมาดีบ้างก็ได้มาผู้ศาสนาก็ตั้งขึ้นทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้เราต้องพูดในแง่ปัจจัยฝ่ายผู้สอนนี่อ่อนแล้วแล้วทีนี้ทําไงอ่ะไม่บริบูรณ์ปัจจัยฝ่ายผู้รับก็อย่างที่ว่ามีหลายแบบอีกนี่แหละ เราจะต้องมีเรื่องของเทคนิควิธีการปรีกย่อยอะไรต่างๆที่จะมาช่วยในการที่จะสั่งสอนผู้คนจำนวนมากว่าทำไงจะสอนจุดมุ่งหมายก็คือมีการุณาต้องการให้เขาได้ประโยชน์การุณาก็เอาเขาเป็นหลักแต่ปัญญาก็เอาธรรมะเป็นหลักตอนนี้ไอ้ปัญญากับการุณาต้องมาเชื่อมกันถ้าไม่มีการุณาเอาแต่ปัญญาก็อย่างที่ว่า ก็เอาแต่ใจตัวแกมันไม่รู้สักทีฉันว่าอย่างนี้แล้วเนีอะก็ด่าพวกนี้ทําไมปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้เรื่องพระอาจารย์ที่หนักไปทางปัญญาก็จะเล่นแงน่นี้นี่อีกพวกหนึ่งก็เอาแต่กรุณาก็จะตามใจเขาเชื่อถือผิดผิดพลาดพลาดก็ปล่อยไปซะนี่บางทีก็กลายเป็นว่าหลงไปเรื่องของการเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการ หวังผลดนบันดาลอะไรจะอะไรอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ปล่อยหมดการุณาเอาเขาเป็นหลักปล่อยก็เลยไม่เรียกร้องจากเขาไม่ฝึกเขาขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเอียงข้างสุดต่งแต่ที่สุดตรงกนนั้นก็คือบางทีไม่ใช่ทางปัญญาทางการุณาแล้วแต่พวังลาบโลภมีไหมมีบางทีไม่ใช่การุณาหรอกตัวเองโลภอยากได้ผลประโยชน์ เลยเอาไปล่อเขาเสนี้อยากได้ผลประโยชน์กับตัวเองก็เอาอะไรไปล่อให้เขาเชื่อถือผิดผิด พ, ดพลาดพลาดเพื่อจะได้ลาบจากเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเอาและเราตัดไปเลยพวกที่หวังลาบพวกมีจิตไม่เป็นกุศลโลภะแล้วก็อาจจะมีโมหะบางบางคนเขาไม่ได้เจตนาโลภะแต่เขาโมหะคนที่สอนนะตัวเองก็โมหะไม่ดูเรื่องก็เข้าใจผิดด้วย ก็หลงไปตามอะไรทีนี้เราตัดทั้งพวกโลภะพวกโมหะก็เหลือพวกกรุณาปัญญาที่ว่าไม่สมดุลพวกหนึ่งกรุณาก็เลื่อยเปื่อยปล่อยพวกปัญญาก็จะด่าว่าอะไรต่ออะไรไปพวกกรุณาก็ได้แต่ตามใจเขาพวกปัญญาก็เอาแต่ใจตัวเนี่ยทำไงเราจะให้พอดีมาชิมาก็คือการ ให้กรุณากับปัญญาเนี่ยมันมาดุลกันไว้เราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนคนนี้หลายแบบบางคนอย่างที่เรียกว่าอุคติตันยูปัญญาเฉียบแหลมพรงก็สอนตรงเผงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรละ่ะปั๊บเดียวเขาก็ตัดสู้เลยข้ามเลยเหมือนกับว่าเขาสามารถผอน เขากระโดดจากจุดยืนของเขามาที่พระองค์ได้เลยอย่างนี้การเรียกภพที่หนึ่งแต่ทีนี้บางพวกนี่เขามาไม่ไหวก็ต้องอย่างที่ว่าและก ร, ะรุณาต้องเอาเขาเป็นหลักเราคำานึงถึงเขาก็มองว่าเขาเป็นอย่างนี้เราต้องไปที่จุดยืนของเขาแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาอยู่กับที่เราต้องการนำเขามาสู่จุดหมายที่เราจะพาไป ตอนนี้แหละครับจะต้องหาวิธีว่าทำไงจะไปได้แล้วคนมันมีต่างๆกันเนี่ยเราจึงเห็นวิธีปฏิบัติในสังคมที่เราจะมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่วิธีปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่มาเป็นพิธีกรรมเนี่ยบางทีบางคนไปมองเป็นเหลวไหลแต่ถ้าท่านมองเป็นแล้วท่านจะเห็นแง่มุมแต่ต้องมองให้ได้นะฮะว่ามันมีแง่มุมอะไร แล้วก็มองตามหลักเหตุปัจจัยเชิงสัมพันธ์ในระบบไซสิขาเนี่ยท่านจะเห็นว่าในการปฏิบัติอันนั้นมันมีสื่อมีวิธีปฏิบัติมีเทคนิคมีแง่มุมอะไรไหมที่ต้องการจะสื่อเพื่อพาเขาให้ก้าวหน้าให้พัฒนาชีวิตขึ้นไปถ้ามีอันนี้อยู่แสดงว่ามันไม่ใช่เลวไหลหรอกเราต้องนึกถึงว่าพระ จำนวณมากมาเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีคุณสมบัติปัญญาเต็มที่ความสามารถในการสอนท่าก็ไม่ได้เต็มที่อะไรท่านก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องมืออุปรกรณ์สิ่งที่มนุษย์ในสมัยนั้นเขาเรียนรู้กันอยู่นี่นิทานเรื่องของลิทธิลิทธปาฏิหาริย์ความเชื่อของชนสมัยนั้นในชุมชนนั้นในสภาพแวดล้อมนั้นอะไรหรือเขาไม่ภูมิหลังอย่างนั้นท่านก็ยอมรับตามเขาแล้วก็พูดไปแต่ว่า ทำยังไงจะให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อเพื่อจะโยไปหาสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นถ้ามีอันนี้อยู่เรายอมให้แต่อย่าให้เขาหยุดอยู่กับที่ที่พูดนี่อยากจะให้มองไปที่แม้แต่เรื่องพระพรหมเมื่อว่านหรือเมื่อวาสื่อนี่เขามีพิธีอัญเชิญพระพรหมใช่เมื่อเดือนก่อนนี่ผมอยู่ที่ภูเขาผมฟังวิทยุแห่งประเทศไทยยังประกาศอยู่เลยนะ ตอนนั้นกําลังอยู่ระหว่างที่จะสร้างองค์ใหม่ก็มีกําหนดการตอนนั้นตอนที่จะหล่อองค์พระพรหมองค์ใหม่เททองเนี่ยถึงก็บอกว่าจะอัญเชิญสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นองค์ทรงเททองวิทยุประเทศไทยเลยบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ น, นีนาถ จะได้รับอัญเชิญเสด็จมาเป็นองค์เททองแล้วพอถึงพิธีอัญเชิญองค์พระพรหมขึ้นประดิษฐานบนศาลเนี่ยในหลวงเลยอัญเชิญเสด็จในหลวงเลยเนี่ยเนี่ยกำหนดการที่เขาเตรียมไว้แล้วพอมาเมื่อวนันสืนมั่งก็ได้ยินข่าวออกเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดแปลว่าเปลี่ยนไปกระบวนการนี้เปลี่ยนยังไงไม่ทราบ แต่ก็ทําให้เห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อย่างไรกลายเป็นว่าขออภัยนะผมมองว่าคนโบราณของไทยละเนี่ยฉลาดกว่าคือท่านที่ทําในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองอะไรเลยท่านคิดอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะน่าจะต้องไปสัมภาษณ์ท่านจะคิดอย่างไรในการที่มาหลอกว่าพรมอัญเชิดขึ้นในแง่หนึ่งก็คล้ายๆบํารุงขวัญคนไทยอ่าเอาในแง่นี้การแง่หนึ่ง แล้วก็อาจจะมองไปในแง่ธุรกิจก็หมายความว่าองค์พระพรหมนี่ท่านเป็นที่มาศูนย์กลางของเงินเงินทองทองด้วยเพราะว่าพวกนักธุรกิจหรือชาวบ้านแม้แต่ต่างประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันอะไรก็ยังเดินทางมาบูชาก็ได้เงินจากพวกต่างประเทศนี้อันนี้เรื่องธุรกิจนี่สองละ หนึ่งเรื่องความขวัญประชาชนสองเรื่องธุรกิจจะเรียกก่าธุรกิจการเมืองก็ได้และก็สเรื่องถือโชคลางท่านเหล่านี้ก็อาจจะถือโชคลางเกี่ยวกับตัวเองด้วยเออดีไม่ดีก็จะนึกว่าที่พระบรมเป็นอย่างนี้นี่มันมีลางเกี่ยวกับตัวเราอาจจะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารประเทศชาตินี้ อาจจะมีหมอดูบางท่านทนํานายว่าที่พ่พรมท่านเป็นอย่างนี้นะมันมีผลมานะหรือมันมีลางมาถึงท่านอนะไนี้ท่านต้องมาแก้ไขอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นนโยบายประชานิยมก็ได้ก็หมายความว่าประชาชนเขานับถือกันอยู่เราก็ต้องมาเอาอกเอาใจโดยที่ว่ามาเอาใจใส่ทีงพ่อพรมมาทําให้อย่างดีประชาชนเหล่านั้นก็พึงพอใจไปด้วยนี่ก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่แง่ที่มันควรจะได้ในหลักพุทธศาสนาเนี่ยน่าเสียดายไม่ได้มองนี่คือคติที่มันควรจะได้คือผู้บริหารประเทศชาติหลักการมันมีอยู่แล้วว่าไม่ว่ามองเรื่องอะไรจะต้องมองหาทางให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนและการเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนอย่างหนึ่งก็คือทําไงจะให้ประชาชนเนี่ยพัฒนาคุณภาพขึ้นมาแต่เรื่องประชาชนนี่สําคัญที่สุดเลยว่า ทำยังไงให้พัฒนาคุณภาพทีนี้เรื่องพระพรหมเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็นับถือกันอยู่ในเมื่อเขานับถือกันอยู่ก็เป็นเรื่องกรุณาเราเห็นใจเขาอันนี้ น, นี่คือตัวที่ว่าเอาเขาเป็นหลักอ้าวเราก็ยอมเห็นแก่เขาเราก็กรุณาแต่ว่าเราต้องให้เขาพัฒนาตามหลักไตรสาขาใช่ไหมเออทําไงจะให้เขาเดินหน้าไปตรงนี้แหละครับที่ว่าต้องหาวิธีปฏิบัติอะไรสักอย่างมาสื่อ สร้างความหมายให้เกิดขึ้นในการที่จะให้คนนี้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วได้ประโยชน์ส่วนนี้ด้วยแล้วก็จะให้คะแนนผู้บริหารประเทศได้ทำงานก็จมวนวงเวียนอย่อย่างนี้อันนี้คติเรื่องพระพรหมเนี่ยขอย้ำอีกทีพระพรหมที่เอราวันเนี่ยเนทะ่าที่ผมทราบคิดว่าแน่นอนไม่ผิดละเป็นสารพระพรหมแรกในประเทศไทย แต่ก่อนในเมืองไทยเราไม่มีการสร้างสารพระพรมเรามีแต่สารพระภูมิใช่ไหมท่านรู้จักไหมสารพระภูมิทุกองค์รู้จักสารพระภูมิก็ตามบ้านตามอะไรที่ไหนก็ต้องสร้างไงคือคนไทยเราเนี่ยนับถือเทวดาพระภูมิเจ้าที่เราก็ให้เกียรติท่านเรื่องนี้เรื่องยาวไม่ทราบท่านฟังที่ผมพูดครั้งหนึ่งแล้วยังเรื่องบูชาพระพรมจนพัง ก็ยังไม่รู้จักหมาพรมฟังหรือยังฟังแล้วเลยอ้าวถ้างั้นท่านก็เข้าใจพอสมควรนี่แหละคนไทยเนี่ยบูชาพระพรมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักหมาพรมคือมันน่าจะได้ปัญญาบ้างคนไทยเราเนี่ยนะไม่เอาใจใส่หาความรู้เลยแม่แต่พระพรมองค์ที่ตัวไปบูชาเนี่ยก็ยังไม่รู้จักว่าพระพรมอะไรเราจะไปหาไทยสักหน่อยนะ แล้วก็น่าจะรู้จักว่าท่านเป็นใครเนี่ยแล้วเราไปบูชาพระพรหมองค์เนี้ยไปขอไปอ้อนวอนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครแปลกดูสิไปบูชาได้ไม่รู้จักว่าเป็นใครธรรมดามันน่าจะหาความรู้บ้างว่าเออพระพรหมองค์เนี้ยเรานับถือแล้วท่านเป็นใครล่ะก็ไม่รู้จักสักนิดหนึ่งเนี่ยในยบกพุคลงแล้วเราจะเห็นทั่วไปในสังคมไทยเนี่ย ข้ามขั้นความรู้ไปหาความเห็นมีตการให้ความเห็นไม่หาความรู้ให้ความเห็นที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยมันต้องอยู่บนฐานของความรู้หาความรู้ให้ชัดที่สุดแล้วให้ความเห็นบนฐานของความรู้นั้นไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาแค่ชอบใจไม่ชอบใจทางพระท่านเรียกว่าเอาชอบใจไม่ชอบใจเป็นเกณฑ์ไปได้แค่ความรู้สึก แล้วก็ให้ความเห็นไปตามที่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจไอ้ที่ชอบใจก็เอาความเห็นว่าดีไอ้ที่ไม่ชอบใจก็ความเห็นว่าไม่ดีอันนี้ถ้าเป็นความเห็นที่อยู่บนฐานของความรู้เนี่ยมันจะไปอีกอย่างมันต้องรู้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงมีข้อมูลยังไงเป็นไปยังไงอะไรเพราะฉะนั้นคนไทยนี่ขาดมากคือให้แต่ความเห็นไม่หาความรู้เรานั้นต้องย้ํากันมากให้หาความรู้ก่อนให้ความเห็น อาทีนี้เราก็กลับมาเรื่องเนี้ยแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรู้ว่าท่านเป็นใครเราก็ไปบูชาอ้อนวอนกันไปตามกันเนี้ยพระพรหมองเงี้ยเอาละเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเป็นศาลพระพรหมศาลแรกในประเทศไทยแต่ก่อนมีแต่ศาลพระพรูทีนี้เรื่องมาเกิดขึ้นก็คือที่โรงแรมเนี้ยเขาสร้างพลตารวจเอกเผ่าศรีอ น, นุนเคยได้ยินชื่อไหม ท่านเป็นประธานก่อสร้างแล้วทีนี้ก่อสร้างไปยังไงมันไม่เสร็จสักทีมันเกิดความบาดเจ็บแก่คนก่อสร้างบ้างอะไรบ้างติดขัดต่า ง, างๆอุปสรรคมากมายก็เลยมีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเรียกว่าหลวงสวิชานเราพูดสมัยนี้ก็เรียกว่าท่านเก่งทางในหรือดูทางเรื่องลึกลับว่ามีอะไรเป็นเหตุอะไรเงี้ยี่ทางท่านพลตำรวจเอกเผ่า ในคณะของท่านเนี่ยก็หาทางว่ามันเป็นยังไงตึงจิตขันงี้ก็เลยให้หลวงสุวิชานดูหลวงสุวิชานนี่ท่านมีชื่อเสียงท่านนี้ท่านก็ดูให้ท่านบอกโอ้มันมีเรื่องอย่า ง, งานังน้นงานต้องแก้ด้วยการสร้างสารให้เท้ามหาพรหมท่านนี่แหละเป็นต้นกําเนิดอ้อาวและก็เลยสร้างสารท้ามหาพรหมขึ้นมาอันนี้สร้างแล้วเกิดมันมีว่า ได้ผลศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นงี้คนมาอ้อนวอนมาบูชาอะไรก็เลยนับถือกันไปต่อมาก็นิยมแพร่หลายไปสร้างศาลพระพรหมที่อื่นจนกระทั่งไปถึงวัดไทยในสิงคโปรนะ์ผมไปวัดไทยที่สิงคโปร์เข้าหน้าวัดเจอศาลพระพรหมปุ๊บเลยัะหน้าวัดเลยศาลพระพรหมแล้วคนสิงคโปร์เขาเรียก four face Buddha ว่าเงินนีเรียกว่าพรหมเนี่ยเรียก four face Buddha แปลเรียกพระรรพระุทธเจ้าสี่หน้าวา่าเงินแล้วเขาก็มา ถึงเมืองไทยมาบูชาหรืออะไรกันเนี่ยนี่ก็นิยมกันไปทีนี้ว่าหลวงสุวิชานเนี่ยเอาแล้วถึงท่านจะนิยมสิ่งศักสิทธิ์อะไรก็ตามแต่ท่านยังเป็นคนมีหลักนะก็ดูประวัติเรื่องสารทรรมหาพรหมเนี่ยมีบอกไว้เลยบอกว่าท้ามหาพรหมจะเสด็จมาประจําสารทุกคําเว้นวันพระเพราะวันพระ ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่นี่เรื่องของศาลหลวงสุวิชานท่านไม่ได้ทิ้งเรื่องไว้เฉยๆนะในเรื่องกํากับก็คือประวัติของพระพรหมองค์พระพรหมเนี่ยมีเรื่องของท่านอยู่นี่คือการรู้จักแล้วใช่ไหมอย่างน้อยรู้จักแล้วว่าอ๋อหลวงสวิชานท่านให้สร้างขึ้นมาแล้วท่านก็มีบอกกํากับไว้ด้วยว่าพระพรหมองค์นี้ท่านเป็นยังไงท่านมีกิจวัตรเนี่ยมารับเครื่องสังเวยหรือการบูชาองสูงเนี่ยทุกค่ํา แต่เว้นวันพระเพราะท่านไปฝ้าโบตจาว์นะทีนี้ความคิดในการให้สร้างเนี่ยเป็นของหลวงสวิชานจริงแต่เวลาสร้างภาระในการสร้างพวกทาแบบเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของกรมศริลปกรแล้วกรมศริลปก ร, กรก็คงจะหาท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ตอนนั้นก็มีท่านสถียิโกเศษพญานุมาราจทนเนี่ยเป็นนักปราชญ์เพราะท่านรู้เรื่องาศาสนาต่างๆเขียนหนังสือเรื่องาศาสนาเปรียบทเทียบอะไรเป็นต้น ท่านเสถียรกอเสกก็เลยไปเรียนว่าแบบเรื่องพระพรหมเนี่ยจะสร้างยังไงเรื่องของพระพรหมของาสนาพราหมณ์ยังเขามีบอกไว้ว่าพระพรหมมีสี่หน้าสี่มือถืออะไรบ้างเขาบอกไปหมดดูตำราไหนตำราไหนของพราหมณ์เองก็มีสี่ก้อนคือสี่มือสี่แขนแต่ได้ทราบชัดโยมท่านไปดูองค์แท้แล้วว่ามีแปดก้อน ก็แสดงว่าพระพรหมที่เอราวัณนี้สร้างเกินตำราก็เอาแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าตำนานเรื่องเทพของพราหมเนี่ยบางทีไม่ตายตัวหรอกอย่างที่เคยเล่าบางทีก็มีตำนานโน้นตำนานนี้เพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยสร้างตามแบบของอินเดียตามแบบพราหมณ์แต่องค์พระพรหมนั้นมาจากแนวคิดของสูงสุวิชาซึ่งไม่ใช่พราหมณ์เนี่ยเราต้องรู้ แล้วหลวงสุวิชาที่พูดอย่างนี้ก็หมายความคติพรหมองค์นี้เป็นคติพุทธไม่ใช่คติพราหมณ์เพราะอะไรบอกเมื่อกี้แล้วพระพรหมองค์นี้เป็นฟาพุตรเจ้าก็เป็นพุทธแหละแต่ไม่ใช่แค่นั้นคําว่ามหาพรหมาศาสนาพราหมณ์เขามีเทพเจ้าสูงสุดเดิมก็เรียกว่าพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก ส, งกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้คําว่าพรหมลิขิตแเราสร้างคนสี่วนนะรรณะกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรมาเนี่ยนี่ พระพรหมในศาสนาพราหมณ์เนี่ยคําว่ามหาพรหมปกติเขาไม่ใช้เรียกใช้เรียกได้แต่ว่าในศาสนาพราหมณ์เขาไม่นิยมเรียกมหาพรหมเรียกได้แต่ไม่นิยมแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเรามีเรื่องคติเรื่องพรหมเรามีรูปประพรหมอะรูปประพรหมเคยได้ยินไหมแล้วรูปประพรหมเนี่ยมีสิบหกชั้ น, เ, นเคยได้ยินไหมอ๋อเรียนวันนี้นั่นนั่นเนี่ย พระพรหมนี่นะมีสิบหกชั้นรูปพระพรหมเท่านั้นนะแล้วรูปพรพรหมสิบหกชั้นนี้ก็แบ่งไปตามชั้นของฌานคือหมายความว่าผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเมื่อตายแล้วฌานไม่เสื่อมตายในจิตที่มีฌานเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมก็จะจัดพระพรหมแบ่งตามระดับของฌานฌานมีสี่ระดับประถมฌานตุเดยฌานตัดยฌานจรตุเดฌาน ก็มีฌานระดับปฐมฌานเรียกว่าปฐมฌานภูมิระดับทุติยฌานทุติยฌานอภูมิระดับตติยฌานตติยฌานอภูมิระดับจตุฌานหรือฌานที่4ี่จตุฌานอภูมินี้พรหมสระดับเนี่ยมีซอยย่อยออกไปอีกในแต่ละระดับเนี่ยมีสามี4ี่มีห้าอะไรอีกก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสชั้นของฌานเนี่ยแบ่งเป็นพรหมสบหชั้น ทีนี้เอาเรามาดูเราไม่ต้องดูละเอียดเราดูชั้นที่หนึ่งปฐมชาติชาที่หนึ่งเนี่ยแบ่งเป็นพรหมสามชั้นชั้นที่หนึ่งเรียกว่าพรหมปาริสัจชาชั้นที่สองเรียวพรหมปุโรหิตาชั้นที่สามเรียกว่ามหาพรหม ม, มหาพรหมคือพรหมสูงสุดในระดับชาตที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพระพรหมที่เอราวันนั้นก็คือพระพรหม ที่ได้ฌานระดับปฐมฌานแต่ว่าสูงสุดในระดับปฐมฌานนะยังไม่ได้ทุติยฌานท่านก็อาจจะเป็นพระภิกษุหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่ได้ฌานแล้วตายไปไปเกิดเป็นมหาพรหมองค์นี้เพราะท่านเป็นพุทธอยู่ท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคําว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความต้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์นั้นนะหมายความว่าอุทิศเวลาให้แก่พระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไปศึกษาไป ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่อุทิศต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรารู้คตินี้ปับ๊บเราก็เห็นทางเชื่อมว่าเออหลวงสุวิชานีิท่านอาจจะมีคติแนวคิดดีอย่างน้อยท่านก็มาในแนวคติพุทธเราก็เห็นทางให้ประชาชนเนี่ยเดินตามหลักของกรุณาขึ้นสู่ปัญญาใช่ไหมมีการศึกษาว่าเออพระพรหมองเนี้ย ท่านก็มีเมตตากรุณามากสงสารพวกเราเนี่ยที่มีความทุกข์ลาบากมาช่วยอยู่แต่ท่านเองท่านก็ยังใฝ่ธรรมท่านต้องไปปฏิบัติธรรมไปฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณควรจะสนใจบ้างว่าเออวันพระนี้ท่านพระพรหมครับไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอะไรมาขอผมฟังบ้างได้ไหม หรือผู้จัดก็เอามาบอกประชาชนก็ยังดีว่าเออพระพุทธเจ้าสอนพระพรหมยงงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยมันจะได้มีธรรมะมาได้บ้างก็มาเรียกร้องต่อประชาชนเหล่านี้บ้างก็ได้ว่าเอออย่าเอาแต่ขออย่างเดียวนะอย่าหวังผลดลบรรดาลอย่างเดียวได้ปฏิบัติ ด, ด้วยพัฒนาชีวิตของตัวเองต้องมีความขยันหมั่นเพียรพุทธเจ้าว่าจัตงต้องการผลเนี่ยต้องทําเหตุต้องมีความเพียรพยายามต้องขยันหมั่นเพียรนะ ว่างันเถอะนะต้องทำมาให้เลี้ยงชีพด้วยความสุจริตขยันอนะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมมันไม่ได้อยู่แค่อ่อนวอนจบอ่อนวอนจบมันจะมีทางพัฒนาขึ้นาบ้างเนี่ยลองไปดูสิครับคติพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้แล้วคติพรหมสี่หน้านะครับที่ว่าสี่หน้าเป็นเมตตากรุณาุมตตาเบกขาเนี่ยเป็นคติพุทธคติพรามเขาสี่หน้าของพระพรหมคือวันณะสี่ กษัตริย์พรามะแม่สูตรนู่นเราเอาได้ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วนี่นี่หน้าของพระพรหมสีหน้านี่ตามหลักศาสนาพราหมณ์วันณะสี่เขาให้หลายในนะในที่สองเขาให้ว่าได้แก่พระเวศสี่พระเวศสี่มีลายมีใจเพศหนึ่งฤกษ์เวศสองยะชุรเวศ ส, สามสามเวศเดิมมันมีแค่ไใจเพศสามเพศ แล้วต่อมาเขามีอีกพระเวทหนึ่งมาแถมเติมเป็นพระเวทที่สี่เขาเรียกว่าอัถร พ, พนาเวทคนไทยเรียกว่าอาถรพเวทที่มาเป็นที่มาของคำว่าอาถรน่ะเนี่ยเรื่องของการทําอาถรเรื่องของการทําไอ้พวกขุนใสเนี่ยทำพีนเนี่ยสําคัญพระพักของพระพรหมสี่พระพักนี้ก็คือพระเวทสี่นี้แล้วเอาไหมไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมแล้วก็อีกความหมายหนึ่งตามศาสนาพราหมณ์หน้าของพระพรหมสี่หน้า ได้กับยุคสี่ศาสนาพราหมณ์เขามีสี่ยุคคือโลกเราเนี่ยมีกําเนิดขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดพอสิ้นกับสิ้นกันก็จะพินาศกับหนึ่งก็พินาศทีหนึ่งกลับหนึ่งก็คือคืนหนึ่งวันหนึ่งของพระพรหมก็คืออายุ ข, ของโลกโลกเกิดขึ้นจนสลายนี่เรียกว่ากับหนึ่งและกลับหนึ่งนี่แบ่งเป็นสี่ยุคสี่ยุคีค่มีกิตยุคเรียกได้ว่าเป็นยุคทองยุคดีที่สุด สองก็เตรตะยุกเนี่ยยุคที่ดีรองลงมาชักเสื่อมลงเลยบางทีเราเรียกกันว่าไตรดายุก ค, คนไทยเรามาแผลงนิดหนึ่งเรียกว่าไตรดายุกแล้วก็สเรียกว่าทวารบารยุกหรือทวาปรปารยุกเนี่ยก็เสื่อมลงอีขั้นหนึ่งแล้วก็ยุกที่4เรียกว่ากะลียุกอันนี้คนไทยได้ยินทุกคนใช่ไหมกะลียุกกะลียุกนี่แย่ที่สุดตอนนี้จะเกิดไทยพิบัติอะไรต่างๆมากมาย พระพักของพระพรหมสี่พระพักนี้ก็หมายถึงยุคสี่ยุคนี้ก็ได้เอาละมีสามแบบนะั้นหนึ่งวันณะสี่สองพระเวสสีสามยุคสี่ส่วนของพุทธศาสนานั้นเรามาให้เป็นเมตตากรุณาบุติตาเบกนี้ดูสิพวกเรานะี่ยสับสนหมดใช่ไหมเรื่องพระพรมไม่รู้เรื่องเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็หาความรู้หรือเอาความรู้เรื่องนี้มาพอ พระพรหมท่านพังและเราจะสร้างใหม่เราก็ถือโอกาสให้ความรู้กับประชาชนเลยโอ้ตอนเนี้เอาความรู้เรื่องนี้มาบอกประชาชนให้รู้กันเรื่องเป็นอย่างงี้นะเรื่องพระพรหมตามคติพรามเป็นอย่างงี้คติพุทธศาสนาเป็นอย่างงี้นะแล้วก็มีคําสอนเกี่ยวกับอย่างงี้่างอย่เราควรจะเชื่อคําสอนอยังไงปฏิบัติยังไงถือโอกาสอย่างนี้สิครับได้ประโยชน์นี่ไม่มีอะไรเลยพระพรมพังก็ เสียใจแย่เราจะเกิดลางไลอะไรบ้างนาะใจไม่ดีแล้วอาแล้วทีนี้ก็คิดหาทางต้องมาสร้างพระพรหมใหม่ก็คิดแต่ว่าจะทำพระพรหมสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปอ้อนวอนกันจะทำพิธียังไงบวงสรวงยังไงจบความรู้ก็ไม่ได้คติทำอะไรก็ไม่ได้พัฒนามนุษย์ไม่ได้ไเลยเลยจริงไหมเนี่ยมันน่าจะถือโอกาสเราไม่ต้องไปด่าว่าประชาชนเพราะตามหลักกรุณาที่ เราเห็นแก่เขาเอาเขาเป็นหลักแต่ว่าเราอย่าปล่อยให้เขาจมอยู่อย่างนั้นด้วยกรุณามาเชื่อมกับปัญญาก็พยายามดึงเขาขึ้นมาซะให้ปัญญาเมื่อมีโอกาสอะไรจะให้ปัญญารีบให้ซะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขดขึ้นมาอย่างน้อยให้เป็นโอกาสที่จะสร้างปัจจัยในการพัฒนามนุษย์ขึ้นในายศิกขาก็ยังดีใช่ไหมตอนนี้มันก็จะได้ให้เขาพัฒนาศีล พัฒนาจิตใจสมาธิพัฒนาปัญญาก็จะดีขึ้นสังคมก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าเสียดายที่โอกาสจะผ่านไปเสียแล้วนี่แหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องคติพุทธศาสนาเนี่ยมันมีข้อที่ต้องพูดเยอะเลย แล้วก็ในคติเดิมเมื่อมนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนวังอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเทวดาท่านก็จะมาเลือกที่อยู่เองคือเทวดาในชมพูทวีปคติเดิมเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะแต่เดิมในชมพูทวีปเวลามนุษย์สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเทวดาก็จะมาหาที่อยู่เองไม่มีคติเรื่องการที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยไปสร้างสารวะภูมิให้อยู่แล้วไม่ต้องไปเชิญ แต่คติอินเดียเขาสร้างบ้านแล้วที่ไหนมาดีที่สุดเทวดาท่านจะเลือกเองในแง่หนึ่งมันก็ได้จะดีกว่านะเพราะเทวดาท่านเลือกเองไอ้นี่มนุษย์มาทําให้ท่านถูกใจใหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นธรรมเนียมมาเลยพระมหากษัตริย์สร้างเมืองใหม่เทวดาที่มีอําดิ์ใหญ่ก็เลือกก่อนที่มีอํานาจใหญ่กว่าเลือกก่อนก็จะเลือกที่ดีที่สุดและเทวดาก็จะไปประทับอยู่ที่นั้นอย่างบ้านอาณาธมัมปีกเกษตรถี พอถ้าสร้างบ้านเทวดาก็มาอยู่อยู่ไหนได้มากเทวดาจะชอบซุ้มประตูเทวดานี่ท่านก็ขึ้นไปอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนข อ, อนาถมณีเกษตรีทีนี้มาเมืองไทยไม่ทราบเพราะอะไรจึงเกิดมีคติเรื่องสร้างศาลพระภูมิขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าไทยเราก็นับถือผีสารเทวดามาก่อนเรามีการสร้างศาลของเราก่อนอาจจะเป็นได้หรือเราจะพัฒนาเหนือกว่าคติที่มาจากอินเดียก็ไม่รู้นะ ก็มีการที่ว่าสร้างสารรพระภูมิให้แล้วก็มีพิธีอัญเชิญซะด้วยเป็นอันต่างกันเลยนะพื้นฐานของทางคติในทางอิชมูทวีปเนะี่ยเทวดาท่านมปนเรื่องที่อยู่เองแล้วท่านก็อยู่ของท่านไปอันนี้ก็เป็นคติหนึ่งที่เราควรจะทราบแล้วอันนี้มันจะมาถึงคติอันหนึ่งที่ว่าเราควรจะรู้ธรรมเนียมของชาวพุทธแม้แต่ว่าผู้ที่ยังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะมาช่วยเหลืออะไรเนี่ย ต้องเข้าใจม่ไง่เราไปนับถือหลวงพ่อโสธรเราไปบนท่านหลวงพ่อโสธรมาช่วยบรรดาให้เนี่ยไม่เข้าใจต้องเข้าใจให้ถูกถ้าเราไม่เข้าใจเรามาขัดกันหมดอา้าวแม้แต่คนที่นับถือแบบนี้ก็ยังนับถือได้แต่มันเป็นยังไงก็บอกแล้วเมื่อกี้ไง เมื่อมนุษย์สร้างอะไรที่เป็นสิ่งกอ่อสร้างใหญ่โตสาคัญขึ้นมาเทวดาก็จะมาเลือกที่แล้วเทวดาผู้ใหญ่ที่เรียกว่ามเหสักนี้ก็จะเลือกก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างที่ประทับของพระแก้วบรกตมีฉัตรหรืออย่างของพระเจ้าแนดินมีเวตะฉัตรเทวดาผู้ใหญ่ก็จะไปจองไปรักษาอยู่ที่เวตะฉัตรก็เป็นเทวดารักษาเวตฉัตรและที่ฉัตรของหลวงพ่อพระแก้วมรกต ก็จะมีเทวดาผู้ใหญ่ไปอยู่แม้กระทั่งฐานพระอะไรแต่ไรเนี่ยอาจยังหลวงพ่อโสธรก็เหมือนกันก็ต้องมีเทวดาใหญ่ไปอยู่เทวดาเหล่านี้ก็คือเทวดาที่มีความเลื่อมใสพุทธศาสนาแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นคนดีใช่ไหมเพราะว่าคบกับพระอยู่กับพระได้ก็ต้องเป็นคนดีก็เป็นเทวดาดีจิตใจดีก็มีเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นก็จะมีจิตใจที่ มีกรุณาต่อผู้มนุษย์ที่มีทุกข์มีความเดือดร้อนเออมนุษย์ที่เขาไปนี่มีความเดือดร้อนจริงๆนี่เขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อมันเฉพาะหน้าขึ้นมาจะช่วยบำบัดความเดือดร้อนให้เขาก่อนก็ช่วยไปนี่แหละเทวดาที่มาเฝ้ารักษาพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไปช่วยเทวดาที่รักษาพระแก้วมรกตรักษาฉัดพระแก้วมรกต เทวดารักษาหลวงพ่อโสธรเทวดารักษาหลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรเนี่ยนี่แหละเป็นผู้ที่มาช่วยไม่ใช่หลวงพ่อท่านช่วยเองแต่นี่แหละเทวดาเหล่านี้ก็ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วนี่คนไม่เข้าใจก็จะไปบอกเอะพระพุทธเจ้าจะมาช่วยได้ยังไงล่ะท่านนิพพานแล้วทฤษฎีก็ไม่มีรองรับก็ยุ่งกันใหญ่ที่พระพุทธเจ้าช่วยใครไม่ได้พิษอะไรแต่อะไลก็ไปกันใหญ่ นี้ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วมันสอดคล้องกันหมดถ้าเธอยังไม่สามารถเข้าถึงพุทธศาสนาอา้าวกเทวดาพวกนี้เป็นเทวดาพุทธท่านเป็นชาวพุทธมีสักดาเด ก, ก็ยังพอช่วยกันอยู่เหมือนอย่างพระพรหมที่เอราวันน่ยพระพรหมที่เอราวันก็แบบเดียวกันท่านเป็นพระพรหมชาวพุทธเขียนไว้ชัดอยู่แล้วบอกว่าพระพรหมที่เอราวันเนี่ยมาประจําสารทุกค์ข่่ม เว้นวันพระพระวันพระไปฝ้าพรภูตะเจ้าเขียนบอกว่าชัดเจนคนไทยไม่เอาใจใส่เลยก็ไปนึกวุ่นวายไปหมดว่าพระพรหมองค์นี้ท้ามหาพรหมคงจะเป็นเครื่องของกติพรามณจริงอยู่องค์พระพรหมนั่นกลายเป็นพราหมณ์แต่นามธรรมตัวองค์แท้ท่านเป็นพุทธอย่างที่ว่าเวลาสร้างก็คงได้ความไม่รู้ชัดนั่นแหละ ก็เลยไปสร้างรูปตามแบบพราหมณ์แต่กลายไปว่าพระพรหมองค์เอราวัณ น, นใจเป็นพุทธกลายเป็นพราหมณ์หมายความว่าตอนที่จะสร้างกายก็บอกรล้วนะบอกว่ากรมศิลปรกรก็รับหน้าที่ไปแต่ว่าตัวพระพรหมนั้นเป็นเรื่องของพเลเรือตรีหลวงสวิชานแพทย์ท่านเป็นผู้จัดการอีนี้ฝ่ายร่างกายนี้ก็เป็นเรื่องของกรมศิลปรกรกรมศิลปรกรก็นึกว่าเป็นเรื่องของพราหมณ์ก็ไปค้นคว้าตามตำราพราหมณ์ ไปให้ท่านสติงเงนโกศเสรยพญาณุมาราชชนท่านเป็นนักปราดท่านก็ไปค้นให้แบบพรามณ์มาแต่รวมความท่านต้องเข้าใจคตินี้ว่าที่วัดต่างๆที่มีพระพุทธรูปองค์สําคัญจะเป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสทอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่วัดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีเทวดารักษาและเทวดานั่นแหละเป็นผู้ทําหน้าที่แล้วก็ท่านก็รักษาพระพุทธรูปคอยเฝ้าอยู่พระพรหม องค์ที่เอราวัณ น, นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวัดพระส่วนพวกเทวดาที่อยู่ที่วัดพระแก้วอะไรนี่อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องมีกิจวัตรพิเศษไปเฝ้าวัดพระเนี่ที่เอราวัณ น, นี่ต้องไปเฝ้าวัดพระชัดไหมเนี่ยก็จะได้เข้าใจค ต, ติพุทธคติพราหมณ์ผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองถ้ารู้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์มากช่วยพัฒนาประชาชนให้ความรู้ให้การศึกษา อย่างน้อยให้เขาค่อยๆตีตื้นขึ้นมาจากความเชื่อที่งมงายอย่างน้อยก็พัฒนาความประพฤติปฏิบัติการขยันหมั่นเพียรประกอบการอาชีพรู้ข้อแม้มีอะไรข้อเรียกร้องจากพระพรหมบ้างว่าเออเธอต้องประพฤติ ธ, ธรรมะบังนะอะไรนเนี่ยก็จะดีขึ้นไม่ใช่ได้แต่ให้ตามขอรอ้องอ้อนวอนกันอย่างเดียวจงกระทั่งว่าขอไผ่ละแก้บนด้วยการ รวยกายเต้นก็มีอะไรไปกันใหญ่มันเลยเถิดไปแล้วแทนที่จะจุงเข้าหาธรรมะให้มากขึ้นเป็นอ่านว่าเรื่องพระพรหมนี่ก็คงจะชัดไปด้วยกันกันเรื่องนี้นะเรื่องอะไรออกก็พูดไปตอนนี้เดี๋ยวเวลามันจะเกินมากไปคิดว่าพอสมควรแล้วพูดเรื่องเกี่ยวกับเทวดาที่มันมาโยงกับเรื่องพุทธศาสนาเอ้าลักโมธนาวันนี้เดี๋ยวจะดึกไปวันนี้ก็ทําืีนก่อน